จิตตะนิยวัหมวดว่าด้วยพระสกัจิตตานิยะเป็นต้นหนึ่งสกัจิตตานิยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระสกัจิตตานิยะเทระพระสกัดจิตตานิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้เห็นป่าใหญ่ดงทึบสงัดเงียบปราศจากอันตรายเป็นที่อยู่ของพวกฤาษี ผูส้สมควรรับเครื่องบูชาเขาพเจ้าจึงนําไม้ไผ่มาทําเป็นสถูปแล้วโปรยดอกไม้ต่างๆลงได้ไหว้พระสถูปที่เขาพเจ้าสร้างแล้วเหมือนได้อภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะพระพักเข้าพเจ้าได้เป็นพระราชาสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการเป็นใหญ่ในแว่ดแคว้นพอใจกรรมของตนนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ เนื้อกับที่เก้าสบอดนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื่อกับที่แปดสิบนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพัฒน์พระนามว่าอนันตยะชะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปร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 ประวัติในเดตชาติของพระอาโปปุพิยะเถระพระอาโปปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิขีเสด็จออกจากวิหารแล้วเสด็จขึ้นที่จงกรมเมืม่อประกาศสัจจะสี่ทรงแสดงอมตะบทขะเขาไปแจารู้พระดํารัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าสิขีผู้คงที่แล้ว จึงจับดอกไม้ต่างๆโยนขึ้นไปในอากาศข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนด้วยผลกรรมนั้นข้าพระองค์ละความชนะและความแพ้ได้แล้วบรรลุฐานะที่ไม่หวั่นไหวในกลับที่สามสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปพระพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้เนือกับที่ยี่สิบนับจากกับนี้ไปได้เป็นกระสัผู้จักรพัดกกพระนามว่าสุมเมทะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหล ได้ทราบว่าท่านพระอาโปปุพิยะเถระได้พาสิกคถาเหล่านี้ด้วยประการชนีอาโปปุพิยะเถราประธานที่สองจบสปัจจาคมนิยเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระปัจจาคมนิยเถระพระปัจจาคมนิยเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นนกจักรภาคอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสินทุข้าพเจ้ากินสาหรายล้วนๆและระมัดระวังอย่างดีในกรรมชั่วทั้งหลายข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเครอกิเลสเสด็จไปในอากาศจึงคาบดอกสาละบูชาพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีผู้มีศรัทธาตั้งมั่นด้วยดีไม่หวั่นไหวไวในพระธราคต จะไม่ไปเกิดยังทุกขติเลยด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นการที่ข้าพเจ้าได้มาสํานักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้ข้าพเจ้าเป็นนกได้ปลูกเพลิกุศลที่ดีไว้แล้วเนื้อกลับที่ยงเก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาวไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนกลับที่สิบเจ็ด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 ได้พาศิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ปัจาคมณียเถราประทานที่สามจบ4ี่ปรับภาษาเถระเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระปรับภากะเถระพรระะปากเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องค์อาจประเสริฐที่สุด มีความเพียรแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงชนะวิเศษมีพระชวีวันดังทองใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณหาผู้เปรียบมิได้เปรียบดังภูเขาหิมพานและเปรียบดังสาครที่ข้ามได้ยากชานของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสแผ่นดินที่หาประมาณมิได้ มาลายประดับศีรษะอย่างวิจิตชั้นใดศีลของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสลมที่ใครๆทำให้ปั่นป่วนไม่ได้อากาศที่ใครๆนับไม่ได้ฉั้นใดพระญาณของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นใครเล่าเห็นแล้วจะไม่เลื่อมใสพราหมณ์ชื่อว่าโสนะได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าสิทธถะ ผูมีทรงพ่ายแพ้ด้วยสีคถาเหล่านี้เขาไปเจ้าไม่ไปเกิดอย่างทุกติ94กลับได้สวยสมบัติที่ดีงามมิใช่น้อยในสุกติทั้งหลายเนื่อกลับที่94นับจากกลับนี้ไปเขาไปเจ้าได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญเนื่อกลับที่14นับจากกลับนี้ไป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 ได้ภาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้ปรับภาษาตะกะเถราประธานที่สี่จบหพิจัตยกะเถราประธานประวัติในดิตชาติของพระพิจัตยกะเถระพระพิจัตยกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอเวสภูเป็นองค์ที่สามแห่งพระผู้มีพระภาค ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษเสด็จเข้าป่าดงทึบแล้วประทับอยู่เขาพระเจ้าได้ถือเงาบัวและรากบัวไปในสำนักของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าเลื่อมใสาแล้วได้วถวายเง่าบัวและรากบัวนั้นแด่พระพุทธเจ้าด้วยมือของตนพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าเวชภูผู้มีปัญญาประเสริฐทรงแตะเงาบัวและรากบัวด้วยพระหัต ข้าพเจ้าไม่รู้จักความสุขที่เสมอด้วยความสุขนั้นและความสุขที่ยิ่งไปกว่าความสุขนั้นแต่ที่ไหนเลยอัตภาพสุดท้ายของข้าพเจ้ากำลังเป็นไปอยู่พบทั้งปวงข้าพเจ้าประอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระเนื่อกลับที่สาสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเง่าบัวและรากบัวเนื้อกับที่สิบสามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิสิบหกชาติเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว ความส่องสองนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้จราบว่าท่านพระพิจาัทายกะเทระได้พาสิข า, าเหล่านี้ด้วยประการราชนีพิจาัทายกะเทระประทานที่ห้าจบหสุจินติตตะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระสุจินติตตะเทระพระสุจินติตตะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นนายพรานผู้ท่องเที่ยวอยู่ที่ซอกภูเขาดุดพยาไกลซ้อนม่ชาติสูงฆ่าหมูเนื้อเลี้ยงชีวิตอยู่ในระหว่างภูเขาส่วนพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าอัถฐาทศีทรงเป็นจัพพันยูประเสริฐกว่าเจ้าละทิทั้งหลายพระองค์ประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงเสด็จมายังภูเขาที่อุดม ข้าพเจ้าฆ่าเนื้อฟานแล้วนำมากินสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จพิกขาจาร์ใกล้เข้ามาข้าพเจ้าได้เลือกหยิบเนื้ออย่างดีถวายพระศาสดาพระองค์นั้นในครั้งนั้นพระมหาวีระเจ้าทรงอนุโมทนาช่วยทำให้ข้าพเจ้าสงบเย็นด้วยจิตที่เลื่อมสายนั้นข้าพเจ้าเข้าไปในซอกเขายัางปิติให้เกิดขึ้นแล้วได้สิ้นชีวิตณที่นั้น ด้วยการถวายเนื้อนั้นและด้วยการตั้งจิตไว้มั่นข้าพเจ้าได้รื่นรมอยู่ในเทวโลกร้อยสิบห้ากับในกับทั้งหลายที่เหลือข้าพเจ้าทํากุศลไว้ด้วยการถวายเนื้อนั่นเองและด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าในกับที่สาสิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิแปชาติมีพระนามว่าทีคายุในกลับที่หนึ่งหกสินับจากกลับนี้ไป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 สุจินติตตเทราประธานที่หจบ 7. วัฏถาทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระวัฏถาทายกะเทระพระวัฏถาทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นพญาครุฑชาติปักษีมีปีกงามได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ประาศจากทุลีคือกิเลส เสด็จไปยังภูเขาคันธมาเขาพระเจ้าละเพศครุฑแล้วแปลงร่างเป็นมานกถวายผ้าผืนหนึ่งแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่พระพุทธเจ้าผู้ศาสดาทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกทรงรับผ้าผืนนั้นแล้วประทับยืนอยู่ในอากาศได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าด้วยการถวายผ้านี้และด้วยการตั้งจิตไว้มั่น ผู้นี้และกำเนิดครุฑแล้วจากเรื่นรมอยู่ในเทวโลกส่วนพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัฏฐาสีผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนทรงสรรเสริญการถวายผ้าเป็นทานแล้วบ่ายพระพักเสด็จหลีไปทางทิศเหนือในพบที่ข้าพเจ้าเกิดข้าพเจ้ามีผ้าสมบูรณ์ผ้าเป็นหลังคาอยู่ในอากาศนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้า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 ท่านพระวัฏฐ า, ายกเถระได้พาสิทาถาเหล่านี้เรื่อประการชนิวัฏฐ า, ายกเถราประธานที่เจ็ดจ็อัมพาทายกเถราประธานประวัติในดิจฉาของพระอัมพาทายกเถระพระอัมพะทายกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าอนมุมัตสี ผู้ไม่มีอุปธิประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาได้ทรงแผ่เมตตาไปในสัตว์โลกหาประมาณมิได้ครั้งนั้นเขาพเจ้าเป็นวานนอนอยู่ที่ภูเขาหิมพานที่สูงสุดได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งไม่ต่ำซามจึงทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเวลานั้นต้นมะม่วงกําลังผลดผลมีอยู่ไม่ไกลภูเขาหิมพานเข้าพเจ้าได้ไปเก็บผลมะม่วงสุก จากต้นมะม่วงนั้นมาถวายพร้อมน้ำพึ่งพระพุทธเจ้าผู้มหามุนีพระนามว่าอโนมทาทสีทรงพยากรณ์การถวายนั้นของข้าพเจ้าว่าด้วยการถวายน้ำพึ่งและน้ำมะม่วงทั้งสองนี้ผู้นี้จะเครื่องรมอยู่ในเทวโลกห้าสิบเจ็ดกลับในกลับทั้งหลายที่เหลือจากเวียนว่ายตายเกิดสลับกันไปเมื่อความเจริญเต็มที่แล้วเขาทําบาปกรรมให้สิ้นไปแล้ว อยากไม่ไปตกวินิบาตนรกเผากิเลสให้มอดไหม้ไปได้เขาพระเจ้าเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงฝึกแล้วด้วยการฝึกอย่างสูงสุดเขาพระเจ้าผู้ละความชนะและความแพ้ได้แล้วบรรลุฐานะที่ไม่หวั่นไหวในกลับที่หนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิบสี่ชาติมีพระนามว่าอัมพัตชัย มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกพระพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอัมพาธายกะเทระได้พาสุกถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้อัมพาธายกะเทราประธานที่แปดจบ 9. สุมนณะเถระประธานประวัติในดิตชาติของพระสุมนณะเถระพระสุมนณะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นเขาพระเจ้าเป็นช่างดอกไม้มีนามว่าสุมนณะได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเครื่องิเลศผู้สมควรรับเครื่องบูชาของชาวโลกจึงใช้มือทั้งสองประคองดอกมลิชั้นดี บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลกด้วยการบูชาด้วยดอกไม้นี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้มัน่นข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนี้กลับที่ยี่สิบหก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 ท่านพระสุมาเนเถระได้พาสิกธถาเหล่านี้ด้วยประการศนิสุมาเนเถราประทานที่เก้าจบสิปุพพจังโกติยะเถราประทานประวัติเนเิตชาติของพระปุพพจังโกติยะเถระพระปุพพจังโกติยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติเนเิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีผู้ประเสริฐ ทรงเป็นดุจราชสีตัวไม่ครั่นค้ามดุจพญาครุดเลิกกว่านกทั้งหลายดุจพญาเสือโคร่งตัวองค์อาจดุจพญากไกรสอนมีชาติสูงพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของทั้งสามโลกไม่ทรงหวั่นไหวไม่ทรงพ่ายแพ้เลิกกว่าบรรดาสมณนะประทับนั่งมีหมู่ภิกษุห้อมล้อมข้าพระองค์นำดอกอังกาบชั้นดีใส่ไว้ในภาออบ ได้บูชาพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดด้วยทั้งพระอบใหญ่นั่นเองข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ทรงองค์อาจกว่านรชนข้าพระองค์ละความชนะและความแพ้ได้แล้วบรรลุฐานะที่ไม่หวั่นไหวด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นในกลับที่สาอนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า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 ท่านพระปุพพจังโกติยะเถระได้พาศิคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิปุพพจังโกติยะเถราประธานที่สิบจบสกะ จ, จิตตนิยวักที่เจ็ดจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในียวักนี้คือหนึ่งสกะจิตตะเยเถราประธานสองอาปโปปุพพยะเถราประธานส ปัจจาคมะนิยะเทรา ป, าประทานสีรปรับาษาธากะเทราประทานหพิจัทยกะเทราประทาน 6. สุจินติตะเทราประทานเจวัถฐธ า, ายกะเทราประทาน 8. อัมภะายกะเทราประทานเกุ้มนเทราประทานส0ปุพจังโกติยะเทราประทาน คาถาอันแสดงอัดที่ท่านกล่าวไว้แล้วนับได้เจสิบเอคาถาชั้นนี้แล 8. หล 8. นาคาสมาละวัคหมวดว่าด้วยพระนาคาสมาละเป็นต้น 1. หนึ่งนาคาสมาละเทราประทาน ประวัติในเดชชาติของพระนาคาสมาลเถระพระนาคาสมาลเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าเก็บดอกแคลไฟล์ไปบูชาที่พระสถูป ข, ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกซึ่งมหาชนสร้างไว้ที่ขนทางใหญ่โดยเอื้อเฟื้อในกับที่สามสิบเอ็ดนับจา ก, กลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทากรรมไวในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสักว์ีนกลับที่สิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าปุพพิยะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เผอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระนาคาสมาลเถระได้พานสิทธิคถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้นาคราสมลาาเถราประธานที่หนึ่งจบสปททะสัญญะเถราประธานประวัติในดิจชาของพระปททะสัญญะเถระพระประททสัญญะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้เห็นรอยพระบาทที่พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าติสสะผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระอาทิตย์ทรงประทับไว้แล้วจึงเป็นผู้มีจิตร่าเริงเบิกบานทำจิตให้เลื่อมสายในรอยพระบาทในกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าด้วยความทรงจำในรอยพระบาทในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี่เป็นผลแห่งความทรงจำในรอยพระบาทในกลับที่เจ็ด นับจากกลับนี้ไปได้เป็นกระส์ผู้จั ก, กรพรรดิพระนามว่าสุเมทะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิธาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่า ท่านพระปัททะสัญญากาเทระได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ปัทะทะสัญญกะเทระประธานที่สองจบ 3. สาสุสัญญากาเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระสุสัญญกะเทระพระสุสัญญากาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นผ้าบางสกุลจีวรของพระาศาสดา แขวนอยู่บนยอดไม้จึงได้ประนมมือไปทางนั้นไหวผ้าบางสกุลจีวอนในกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งความทรงจำในผ้าบางสกุลจีวอนในกลับที่สี่นับจากกลับนี้ไปได้เป็นกริยาทผู้จั ก, กรพัฒน์พระนามว่าทุมะหาระทรงเป็นใหญ่ มีชัยชนะในทวีปทั้งสี่มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วข้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระสุสัญญ า, าเทระได้พาสิขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ สุสัญญากะเทราประธานที่สามจบ 4. พี่พิสาลุวะทายกะเทราประธานประวัติในเดจจ่าของพระพิสาลุวะทายกะเทระพระพิสาลุวะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดิจา่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าไปยังป่าใหญ่ดงทึบอยู่ในป่าได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้สมควรรับเครื่องบูชา ข้าพเจ้าจึงได้ถวายเงาบัวหัวมันและน้ำสำหรับล้างพระหัตถ์ถวายอภิวาทพระยุคลบาทด้วยเสียงกล่าวแล้วบ่ายหน้าหลีไปทางทิศเหนือในกลับที่เก้าสบอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายเงาบัวและหัวมันไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมและในกลับที่สามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จักรพัชพระนามว่า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 พิสาลุวะทายกะเทราประทานที่สีจบภาณวาระที่หกจบหเอกะสัญญกะเทราประทานประวัติในเดตชาติของพระเอกะสัญญกะเทระพระเอกะสัญญกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าได้มีอครส า, าวกนามว่าขันทะของพระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้สมควรรับเครื่องบูชาของชาวโลกเขาพเจ้าถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่ท่านข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้องค์อานกว่านราชนด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษาทัพพีหนึ่งในกลับที่สี่สิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จั ก, กรพัฒน์พระนามว่าวารุณะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการ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 ปิณสันทาราทายกะเทราประทานประวัติเนเดตชาติของพระติณสันทาราทายกะเทระพระติณสันทาราทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานมีสัธรรมชาติสะใหญ่อยู่สะตหนึ่งดาราดาษไปด้วยดอกบวัวสตะบงกฎเป็นที่อาศัยของนกต่างๆ ข้าพเจ้าอาบและดื่มน้ำในสระนั้นแล้วพักอยู่ไม่ไกลได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ก, กว่าสมณะเสด็จเหาะไปในอากาศพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริ ข, ของข้าพเจ้าแล้วเสด็จลงจากอากาศประทับยืนอยู่บนแผ่นดินในขณะนั้นข้าพเจ้าได้ใช้เขียวเกี่ยวหญ้ามาถวายทำเป็นที่ประทับนั่งพระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่ในโลกทั้งสามทรงเป็นผู้นำ ได้ประทับนั่งอยู่ณที่นั้นเขาพระเจ้าทำจิตของตนให้เลื่อมใสได้กราบไหว้พระองค์ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกย่อลงนั่งประโยงเพ่งดูพระมหามุนีด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นเขาพระเจ้าจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นนิมมานรดีจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายเครื่องราชยา่าในกลับที่สองนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จกกักภพพระนามว่า มิตะสัมมะตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกพระพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพาติณสันทาระทายกะเทระได้พาสุขถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้ ติณสันธารทายกะเทราประทานที่หจบ7สูจิทายกะเทราประทานประวัติเนดิตชาติของพระสูจิทายกะเทระพระสูจิทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเนบกับที่สามหมื่นนับจากกับนี้ไปได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าสุเมทะ ตามพระโครมีพระลักษณะอันประเสริฐสามสิบสองประการเขาพเจ้าได้ถวายเข็มห้าเล่มเพื่อประโยชน์เกิดการเย็บจีวรแด่พระองค์ผู้มีพระชวีวันดังทองคำผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ด้วยการถวายเข็มนั้นนั่นแล่ยานเป็นเครื่องเห็นแจ้งอธิละเอียดคมกล้าเกิดกขึ้นแก่เขาพระเจ้ารวดเร็วและโดยงา่ายกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผ า, า, า, า, าได้แล้ว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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระสูจิทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สูจิทายกะเทราประธานที่เจดจบ8ปาตลิปุพิยเทระประธานประวัติในเดชะชาติของพระปาตลิบุพิยเทระ พระปาตาลิปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชะชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำผู้เช่นกับทองคำมีค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐสาสบสองประการซึ่งกำลังเสด็จไปในระหว่างร้านตลาดครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นบุตรเศรษฐีสุขุมารชาตดำรงอยู่ในความสุขได้นาดอกแคลไที่ห่อใจพก ออกบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเขาพระเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานบูชาพระองค์ด้วยดอกไม้นอกน้อมพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะผู้รู้แจ้งโลกทรงเป็นที่พึ่งเป็นเทพของนรชนในกลับที่92นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้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 ท่านพระประตาตลิปุพยเถระได้พาสิขาถาเหล่านี้ด้วยประการะน้ปตาตลิปุพยเถราประธานที่แปดจบเก้าทิตันชลิยเถราประธานประวัติเนติชาติของพระทิตันชลิยเถระพระทิตันชลิยเถระเมื่อจะประกาศประวัติเนติชาติของตนจึงกล่าวว่า เมื่อก่อนเขาพเจ้าเป็นพรานเนื้ออยู่ในป่าดงทึบได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการในป่านั้นณที่นั้นเขาพระเจ้าประทาอัญเชลีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งอยู่บนเครื่องลาดใบไม้ประจำในที่เม่ไกลแล้วบ่ายหน้าลีกไปทางทิศตะวันออกลำดับนั้นอาสนีบาทได้กตกลงบนกระหม่อมของเขาพเจ้า ในครั้งนั้นเวลาใกล้ตายข้าพเจ้านั้นได้กระทำอัญเชิญอีกครั้งหนึ่งเนกลับที่92นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้กระทำอัญเชิญไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการกระทำอัญเชิญเนกลับที่54นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดมีพระนามว่ามิคเคเกโตสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการ มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก์แปดและอภิญยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระธิตันชริยะเทระได้ภาสิคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ธิตันชริยะเทราประธานที่เก้าจบ ติปทุมิยะเถระประทานประวัติเนเดตชาติของพระติปทุมิยะเถระพระติปัทุมิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติเนเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมตระทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงฝึกพระองค์แล้วมีสาวกผู้ฝึกตนแวดล้อมแล้วเสด็จออกจากนครครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เป็นช่างดอกไม้อยู่ในกรุงหงสาวดีได้ถือดอกปทุมสามดอกซึ่งเป็นดอกไม้ชั้นดีเยี่ยมในกรุงนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลียคือคีเลตกําลังเสด็จสวนทางมาในระหว่างร้านตลาดพร้อมกับการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงคิดอย่างนี้ในเวลานั้นว่าประโยชน์อะไรของเรากับดอกไม้เหล่านี้ที่เราใช้บํารุงพระราชา เราเพิ่งได้บ้านคามาเขตหรือชาพันหนึ่งเท่านั้นเราบูชาพระพุทธเจ้าผู้ฝึกคนที่ไม่ได้ฝึกตนผู้มีความเพียรทรงนำสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งปวงทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกแล้วจกได้ทรัพย์อันเป็นอมตะข้าพเจ้าครั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงทำจิต ข, ของตนให้เลื่อมใสจับดอกบัวแดงสามดอกโยนขึ้นไปบนอากาศในครั้งนั้น พอเขเจ้าโยนขึ้นไปดอกบัวแดงเหล่านั้นก็แผ่ขยายกลีบอยู่ในอากาศขั่วที้ขึ้นข้างบนดอกย้อยลงข้างล่างกั้นอยู่เหนือพระเศียรในอากาศหมู่มนุษย์ที่เห็นแล้วพากันโห่ร้องกลิยวกราวทั้งเทวดาในอากาศก็พากันแจ้ซ้องสาธุการว่าความอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วในโลกเพราะอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเราทั้งหมดจักฟังธรรม เพราะอนุภาพแห่งดอกไม้พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู่ที่ถนนนั่นเองได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจักพยากรมานกผู้ที่ได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัวดแดงท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดมานกนั้นจกเรื่องรมในเทวลโลกตลอดสามหมื่นกัป และจักเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติส0สบชาติครั้งนั้นจักมีวิมานชื่อมหาวิถาริกะสูงสา0รอโยต์กว้างร้อยห้าสิบโยต์ป้อมสี่แสนป้อมประกอบด้วยเรือนยอดชั้นดีประดับด้วยที่นอนใหญ่ที่บุญกรรมสร้างไว้ดีแล้วนางเทพอับสรหนึ่งแสนโกรฉลาดในการฟ้อนรำการขับร้องและชำนาญในการประโคมจักแวดล้อมเขา ครั้งนั้นฝนดอกไม้ทิพสีแดงจกตกลงในวิมานที่ประเสริฐซึ่งคับข้างด้วยหมู่เทพนารีเช่นนั้นดอกบัวแดงโตประมาณเท่าล้อจกแขวนอยู่ที่ตะปูฝาที่ไม้ฟันนาที่บานประตูและที่เสาเรเนียตในครั้งนั้นนางเทพอับสอนทั้งหลายใช้กลีบบัวปูแลกววิมานนี้แล้วจากนุ่งห่มกลีบบัวนอนกลิ่งเกลือกอยู่ภายในวิมานที่ประเสริฐ ซึ่งลาดด้วยกลีบบัวดอกบัวแดงล้วนเหล่านั้นแวดล้อมวิมานส่งกลิ่นหอมอบอวนคล้ายกลิ่นทิปฟุ้งไปในที่ประมาณร้อยโยต์โดยรอบมานบนี้จากเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิชาติจากเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูร น, นับชาติไม่ท่วนเขาได้เสวยสมบัติทั้งสองแล้วมีความสวัสดีไม่มีอุปทัวะเมื่อพบสุดท้ายมาถึงแล้วจากบรรลุนิพพาน พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นดีแล้วหนาะภาณิชยกรรมข้าพเจ้าก็ประกอบแล้วข้าพเจ้าใช้ดอกบัวสามดอกบูชาแล้วได้สวยสมบัติสามประการดอกบัวแดงบานงดงามจักกั้นอยู่เหนือศีรษะของข้าพเจ้าผู้ได้บรรลุธรรมแล้วหลุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงในวันนี้เมื่อพระศาสดาพระนามว่าปทุมตระทรงแสดงผลกรรมของข้าพเจ้า เหล่าสัตว์หลายร้อยหลายพันได้บรรลุธรรมแล้วีนกับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไปเขาพระเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัวสามดอกกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพระเจ้าก็ถอนได้แล้วอาสะวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก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 จบริบูรณ์ร่วมอปภิธานที่มีในวรรคนี้คือ 1. นาคสมาลเถราประทานสองปะทะสัญญะเถราประทาน 3. สุสัญญะเถราประทาน 4. พิจาลุวะทายกะเถราประทาน 5. เอกะสัญญะเถราประทาน 6. ตินสันธาระทายกะเถราประทาน เจ็ดสูจิธานยกะเทราประทานแปดปาตลิปุพิยะเทราประทานเก้าทิตันชริยะเทราประทานสิบติปัทุมิยะเทราประทานและมีคาถาเจ็สิบห้าคาถา